รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรม ต่อจากครั้งที่แล้วนี่มาขึ้นสุตตสมจริยาจริยวัตรของพระเจ้าสุตตสมข้อ 32พ พญาโปริสาทเอาเชือกร้อยฝ่ามือกษัตริย์ 101 เอาไว้ทํากษัตริย์เหล่านั้นให้ได้รับความลําบากนําเรา ถึงการมาของเราแล้วเข้าไปยังพระนครอันรื่นรมย์มอบราชสมบัติแล้วในกาลนั้น เราตามรักษาสัจจวาจายอมสละชีวิตเข้าไปหาพญาโพธิสัตว์ผู้เสมอด้วยความสัตย์ของเราไม่มีนี้เป็นการประพฤติ นั่นในนั้นก็คือสัจจะสัจจะนั้นถือว่ามีความสําคัญมากเอ่อ เพราะปลื้มใจด้วยการฟังและเพราะมีพระชวีเปล่ง ความที่เป็นผู้ผุดผ่องเลย คือพระโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ในแคว้นกุรุใช่มั้ยในในสูตรนี้พระโพธิสัตว์อยู่ๆก็คือเพื่อนเก่า คนทําอาหารเมื่อไม่ได้เนื้ออื่นก็ทําเนื้อมนุษย์ให้ในรถรับสั่งให้ฆ่ามนุษย์แล้วก็เสวยเนื้อนครชาวนิคมชาว ข้าแต่เทวะหากพระองค์ จึงถูกชนเหล่านั้นขับไล่ออกจากแคว้นแคว้นนี้ไอ้ช่วง ข้าพเจ้าจะเอาเลือดที่ลำคอ 101 ในชมพูทวีปทั้งสิ้นมา หมายความว่าเนื่องจากพอลดอาหารลดรักษาอยู่นั่นแหละแผลก็หายทีนี้ไอ้แผลที่หายเนี่ยเพราะไม่ไม่เสวยอะไรเลยเพราะไม่ทาน ก็เลยคิดคิดว่าถ้าตัวเองรักษาโรคหายจักตอบแทนคุณ หลังจากนั้นก็ไปสมคบกับยักษ์ซึ่งเคยเป็นสหาย 100 นะ 7 วันเท่า แขวนเอาไว้ที่ต้นไทรอันเป็นที่อยู่ของตนเตรียมทํา นะเดินไปไกลมากแล้วก็แสดงรูปทิพย์ของ เราสนใจเลือดในลําคอของพระเจ้าสุตตโสมเท่านั้นไอ้พระราชาองค์อื่นกระจอก เมื่อยังไม่มีการจัดอารักขา พระโพธิสัตว์นั้นก็เสด็จประทับบนคอคชสาร 4 บทเดิน 120 โยชน์ไปจนถึงพระนครนั้นไป ขอพระมหาราชนะอวยชัยให้พรขอให้ทรงไปหาพราหมณ์นั้นประชาตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ พราหมณ์นั้นพอได้ยินคําว่าพระองค์ 4 บทมาเพื่อแสดงถวายแด่พระองค์เป็น นั้น 4 บรรทัดก็ควรแก่ 400 นะเนี่ยจะเอาคาถาเนี่ยแต่ละคาถาเนี่ยมาถวายแด่พระองค์พระโพธิสัตว์เดี๋ยวๆไปอาบน้ําก่อนท่าน จัดอารักขาอย่างใหญ่โตพระองค์ก็ทรงเปืองณสบกกรณีแล้วก็เสด็จขึ้นนุ่งผ้าสาดกชุ่มด้วยน้ําลําดับนั้นพวกเครื่องของหอมดอกไม้และเครื่องประดับ พระยาโพริศาที่แอบซ่อนอยู่ใต้ใบบัวนะก็คิดว่าในเวลาแต่ง ฟังพอได้ยินคําว่าโปริสาทเท่านั้นแหละควานช้างเป็นต้นได้ยินเสียงของพญาโปริสาทก็ตกจากช้างยืน อันนี้ดูอนุภาพมนต์ที่ได้เรียนมาหมายความว่าช้างเนี่ยได้ยินเสียงพญาโบริศาตช้างเนี่ย โดดขยี้ใบต้นไทรสีเขียวไปสิ้นหนทาง 48 กิโลเมตรเนี่ยแวบ 48 กิโลเมตรไม่แน่คิดว่าปลอดภัยแล้ว แม่เศร้าโศกยังทรงกันแสงเช้าส่งถึงหรือนะไม่น่าเชื่อเลยนะพระอาชาระดับนี้ยังร้องให้กลัวตายว่างั้นนะ เพราะการพัดเพี้ยนเนี่ยนะ นะาา4 บทหรือ 4 บาทที่พระทศพลพระนามว่ากัสสปะแสดงเอาไว้คือเป็นพระพุทธพจน์เนี่ยนะที่พราหมณ์เนี่ยเค้าเรียนมาพราหมณ์เค้าเรียนมาเนี่ยคาถา และท่านไม่ให้ฟังคาถาเหล่านั้นน่ะเราจริงๆอาบน้ําเสร็จเนี่ย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราถูกพญาเอเอ 101 เอาไว้แล้วทํา 101 พอดี บทว่าเอเตสังปมิลาเปตวาความว่าพญาปริศาตนั้นจับกษัตริย์ แล้วก็ด้วยการตัดอาหารทุกชนิดพระราชาทั้ง 100 พระองค์ไม่มีอาหารเลยไม่ได้กินวันฉะนั้นก็ถูกแขวนเอาคอขึ้นข้าง เราว่าให้รอหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าหาก เราไม่พูดปดแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตชีวิตว่างั้นดังที่ เมื่อเราพ้นจากท่านหมดหนี้แล้วรักษาความศักดิ์อ่ะนะ ถึงท่านไปไม่กลับท่านก็ไม่พ้นมือเราไปได้ก็เลยปล่อยไปไม่กลับท่านก็ไม่พ้นมือเราไปได้ก็เลย ก็ไปรักษาคำสัตย์คำจริงนะแล้วก็ จึงพักอยู่นอกพระนครเพราะเกรงคระหาว่าให้พระราชาแก่ ก็เลยกลัวเนี่ยนะกลัวคําคฤหาโดยประการต่างๆก็เลยเอ่อรอรอดูก่อนพอเห็นพระโพธิสัตว์เสด็จมาแต่ไกล <_ d ata> ไม่ขนาดพ่อแม่เราก็ยังทํายากนะเชื่อนะขนาดพ่อแม่เราพ่อแม่ยอมไหมยังทํายากนะผู้ที่ตก จึงตกแต่งพระราชาให้ประดับ เรียกหาพราหมณ์มาแล้วก็บูชาสักการะเตรียมสิ่งที่ แล้วก็นําคัมภีที่ตัวเองพอถุงแสดงว่าจดข้อเขียนมาใส่กระเป๋า บัณฑิตทั้งหลายช่วยปกปักรักษามานานถึง 4 บาทเหล่านี้ก็ยังสําคัญเนี่ยนะ การสมาคมนั้นเนี่ยย่อมรักษาผู้นั้นเอาไว้ได้การระคบเห็นชัดเลยว่าอดีตท่านเหล่านั้นเนี่ยนะเข้า ปฐมมุตระท่านครบไม่นานเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ตั้งความปรารถนา รักษาผู้นั้นไม่ให้ไปอบายทุกขติวินิบาต ก็ชวนทําชั่วก็พาไปสุวะบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะนั้นรักษาอะไรไม่ได้เลยนอกจากนะ การสมาคมกับสัตว์บุรุษเนี่ยสามารถรักษาเอาไว้ได้รักษาให้สําเร็จประโยชน์ไม่ควรทําความคุ้น ที่สําคัญก็บอกว่าถ้ารู้ ก็ไม่บาปเลยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ประเสริฐเพราะว่าการๆให้สําเร็จ เนี่ยนะราชรถเนี่ยนะถ้าไปที่ใกล้ๆสนามหลวงก็เถอะนะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยจะเห็นราชรถเก่าค่ําคล้าเนี่ยแล้วไม่ก็ที่เราเห็นป่าชารถทั้งหลายเนี่ยอีก 20 ปีมา แต่ธรรมของสัตว์บุรุษไม่ถึงความค่ำค่่าพระจะบอกให้ ฆ่าแต่พระราชาฟ้ากับดินห่างไกลกันนะฟ้ากับดินนี่ห่าง มิจฉาทิฐิกับสัมมาทิฐิก็ห่างกันมิจฉามรรคกับสัมมามรรคก็ห่างกันเพราะฉะนั้นธรรมอ่าอาสัปปะริสธรรมธรรมของอาสัปปุรุษก็คือความไม่มีศรัทธาความทุศีลเป็นต้นเนี่ยนะห่างจากคุณธรรมทั้งหลาย ธรรมะเนี่ยหมายถึงมรรคสัจจะอธรรมก็คือสมุทัยสัจจะ ไม่ใช่สมัยที่มีพระศาสนาของพระ 4 บทอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์นั้นท่านแสวงหาปัญญาเหมือนกับภิกษุมา ก็เลยคิดต่อไปว่าคาถาเหล่านี้ไม่ใช่สาวกกล่าวไว้ เป็นหลักธรรมที่เอาไว้ใช้ดําเนินชีวิตได้ นะที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เป็นเหตุให้ได้ประพฤติอยู่ อธรรมถ้าคบบัณฑิตทั้งหลายก็เชื่อม พูดถึงเปรียบเทียบว่าสิ่งอื่นในโลกก็ยังเป็นสิ่ง ฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ของทะเลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการคบสัตบุรุษเป็นเหตุให้เพิ่ม มันพุทธพจน์ที่กล่าวไปเนี่ยเป็นของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแน่นอนจะมีค่าเท่าไหร่หนอราคาเท่าไหร่หนอพุทธพจน์ คันตรสโรดาวัตะนั้นเป็นอย่างไรควรจะมีราคาเท่าไหร่หนอคําสอนอันนี้ก็ สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ยังไม่สม และพระโพธิสัตว์นี่มองดูลักษณะของพราหมณ์แล้วก็รู้เลยว่าคนนี้ จากการไปพูดพุทธพจน์เหล่านี้ให้คนอื่นฟังเนี่ยได้ได้ได้ 4 คาถาเนี่ยได้คาถาละ 100 ก็เลยเรียก พระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าท่านอาจารย์ท่านรับเพราะตน นะฝันก็แสดงว่าที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝัน นะ. นะ. 2 บาทเป็นต้นเนี่ยนะก็ ถามว่าอะไรในโลกนี้มันช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆบ้างเอ้าลองลองแสวงหาดูเถอะสิ่ง เพราะจริงๆอ่ะค่าควรแก่พระนิพพานเนี่ยนะอย่างสมมุติว่าอย่างในโลกเนี่ยนะถามว่าเอ่อชีวิตของเราเนี่ยอันไหนมัน รักษาชีวิตได้จริงๆหรือบอกรักษาไม่ได้ในที่สุดก็ แต่เนื่องจากว่ารู้เค้าเรียกว่า 4,000 ไปจริงๆก็บอก แต่ว่าพระธรรมเหล่านั้นน่ะไม่ใช่มาเป็นอย่างนี้พระโพธิสัตว์พอให้ทรัพย์ 4,000 แก้วคือพระสัทธรรมเนี่ยนะคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอา อย่าไปหาโจรเลยลูกหญิงฟ้อนทั้ง 16,000 บริวารชนที่เหลือก็พา เป็นหลักปฏิบัติของสาธุสัตบุรุษสัตบุรุษคนดีทั้งฉะนั้นเราจักไปละถวายบังคมพระมารดา พวกนางสนมกำนันเป็นต้นมีน้ำตานองหน้าร้องให้มีประการต่างๆแต่ก็ต้องตามไปส่ง มหารชชนไม่อาจละเมิดพระดํารัสของก็เลยพากันค่ำ 300 โยชน์แก่ เราจึงมอบราชสมบัติราชสมบัติถวายแก่พ่อแม่คืนก็เพราะ เป็นวงตระกูลของพระ เพราะฉะนั้นเราระลึกถึงธรรมะคือสัจจะทรงเสพทรงปฏิบัติแล้วเมื่อจะรักษาความสัตย์จึงเพราะ บทว่านัตธิเมสังสยังเอ่อสังสโยตถะความ 100 พร้อมกับเราทําพลีกรรม เพราะเรื่องนี้เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้เสมอด้วยสัจจะของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีถึงเป็นสัจจะ นะไม่ได้ตามรักษาสิ่งอื่นแต่ตามรักษาคุณงามความดีตามรักษาคุณธรรมรักษาชีวิตไม่ได้ตามรักษาสิ่ง ปกติเนี่ยคนจะมาตายเป็นหน้านี่งอเลยนะเรียกว่าพอเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยใหม่พอตรวจเจอว่ามีโรคร้ายอยู่ในตัวแค่นั้นแหละตายเร็วขึ้นเลยเรียก ทำไมนะคนจะตายแล้วทําไมยังยิ้มแย้มแจ่มใสมีก็สันนิษฐานตกลงใจว่าพระเห็นจะเพราะการฟังธรรมกระมังจริงก็ ทำให้คนจะตายยังยิ้มอยู่ได้นี่แสดงว่าพิเศษแม้เราฟังธรรมนั้นแล้วก็จักเป็นผู้มีเนี่ยทำ พอโปริศาตฟังเลยก็เลยคิดว่าโปริศาตนี้เป็นคนบาปนี่โอ้ยท่านจะมาฟังทําไมท่าน ท่านฟังเอารายเลวขนาดท่านเนี่ยนะเลว ก็เลยตรัสว่าชนทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมรู้เออธรรมะเนี่ยเมื่อใครได้ยินได้ฟังแล้วจะรู้ดี พระโพธิสัตว์ก็คิดว่าโพธิสัตว์นี้เกิดความสนใจใคร่จะ การสมาคมกับศักบุรุษคราวเดียวเท่านั้นการสมาคมนั้นย่อมรักษาผู้นั้นเอาไว้ได้ก็คิดดูนะว่าโป ตรงกันข้ามอาสัตบุรุษทั้งหลายชวนแต่ทําลายชวนแต่ปทุสสะรายชวนแต่เบียดเบียนเนี่ยนะการสมาคมกับอาสัตบุรุษรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นควร ไม่ลามกเลยไม่บาปเลยสามารถทําที่สุดแห่งพุทธได้ราชรสวิจิตรงดงาม ธรรมะของสัพพบุรุษและธรรมะของอสัพพบุรุษบัณฑิตทั้งหลายว่าไกลยิ่ง ร่างกายทั้งหมดของพระยาโปฤษฎ์ก็เต็มไปด้วยปิติโอ้ดีใจมากเลยนะของเราทั้ง เออก็เคยเราว่าเราว่ามันดีมั้งนะอ่ะขอให้เป็นเราเถอะดีหมดอ่ะแต่ว่าเฝ้าวัตตาอยู่ตั้งนาน ปิติน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าสมควรแล้วล่ะวัดกันดูแล้วว่าคุณภาพ คาถา 1 คาถาให้พร 1 นะเพราะฉะนั้น 4 ข้อเพราะ 4 คาถาพระโพธิสัตว์นี่ก็รุกรานปริสາດว่าท่านไม่ประโยชน์แม้ของตนท่านจะ แน่นะแน่อพระโพธิสัตว์ก็ได้รับพร หลวงเรียบร้อยแล้วเค้าเรียกว่าจริงๆเนี่ยเห็นปริศนาไม่มีนะอืม อะไรนะถ้าเราจะเอ่อสํานวนว่าถ้าเราปรารถนาจะมีคร อะไร, 2 ครับโหติสัตว์ก็ขอว่าขอให้ท่าน 3 ขอให้ท่านปล่อยกษัตริย์เหล่านั้นกลับเว่นแคว้นของตนอัน 3 4 ขอให้ 4 โพธิสถ์บอกพร 4 ก็บอกว่าขอเข้า ก็เลยรับเอาพร 4 อีกข้อที่ 4 ก็เลยว่าขอไม่กินเนื้อมนุษย์พระโพธิสัตว์นั้นๆให้ นะเสร็จแล้วก็ให้ทําสัตตะกิริยาทา นะ, นะ, นะ, 2 3 วันให้ยาเอ่อให้บริสารนี่ เครือกวารนะสมาทานเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นผู้หวังดีปรารถนา แต่แล้วเสด็จกลับพระนครของพระองค์แวดล้อมด้วยหมู่จตุรงคขเสนา เสด็จกลับพระนครของพระองค์ชนชาวพระนครก็ ก็พากันทำบุญให้อ่ะนะทำบุญ ปรารถนาพระมรรคผลนิพพานเหมือนกันก็ทําบุญให้ทานแต่คราวนี้ผลของการ เที่ยวแสดงก็คือพระอนนท์นั่นเองอ่ะนะแสดงว่า อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยในกาละเมื่อเราเป็นดาบสอันท้าวสักกะเชื้อเชิญมาอยู่ในป่าเรากับ 做ให้ราชศีมีโม Mechanion ต่อกันได้คนนั้นจะต้องมีเมโมคณ Rig เพนชาค้าดยังมีโมต่อกันเนี่ยเราเข้าไปไกร่ราชศีและเสือคร่งในป่าใหญ่ได้ก็ด้วยเมเราแวทด้วยราชศีเสือคร่งเสื้อเหลืองหมีกระบือกวางดาวแล้วก็หมู อยู่ในป่าใหญ่ในป่าใหญ่สัตว์อะไรอะไรมิได้สะดุ้งกลัวเราเรา พูดถึงประวัติพ่อแม่ของสุวรรณสามก่อนว่าในอดีตมีหมู่ สัตว์ทั้งสองนั้นบริสุทธิ์มาจากพรหมโลกมาจากพรหมโลกหลุดมาเป็นมนุษย์ๆเนี่ยยากที่จะรอด จะฟังไหนเป็นอะไรก็ช่างเถอะสรุปว่าจับแต่งงานได้ พ่อแม่ก็เลยพูดกับทุกกูลว่าลูกรักลูกเอองั้นก็บวชบวช ข้าก็ไม่ฆ่าหาภูหาปลาก็ไม่หาก็อยู่เฉยๆอยู่บ้านทํางานไปวันๆนึงอะไรก็ไม่ทําเนี่ยนะบอกเมื่อไหร่จะบวชนะคะให้บวช นะเป็นแม่น้ําสายย่อยที่ไหลจากเอ่อปาหิมวรก็คือปาที่มีหิมะอ่ะนะก็แปลว่าไหลไหลจากภู อาสาอิเจริญเมตตาที่เป็นกามวาจรก็คือหมายความว่าเมตตาของประทานแม้เท้าสักกะก็มาบำรุงสามีภริยานั้นอยู่ ก็เลยเข้าไปหาแล้วก็ตรัสว่า อันนั้นก็ว่าด้วยกรรมอันนั้นแหละก็ทํา เพราะฉะนั้นในขณะที่นางปริภาชิกามีฤดู <ไ หน. S 1> ครั้นล่วงไป 10 เดือนนางปริกาก็คลอดมีผิวพันธุ์ดุจทองคําตั้งชื่อว่าสุวรรณสามสามะอนะก็มีเลยชื่อว่าสุวรรณสามที่จริงถามว่าไอ้ลูกท้องเฉยๆเนี่ยท้องได้ด้วยเหตุหลายประการข้อแรกเนี่ยว่าทั้งสองผู้มีบุญฤาษีทั้ง ขอให้ท่านลงไปเกิด มารดาบิดาเลี้ยงดูสุวรรณสามนั้นจนเจริญมีอายุได้ 16 ปีให้สุวรรณสามนั่งในอาศรมของให้ลูกไปไหนอ่ะนะก็ให้ลูกเนี่ยอยู่ที่อาศรมนั่นแหละไม่ให้ไปไหนหรอกแต่ปกติสุวรรณสามเป็นเด็ก ดูแล้วดูร่องรอยปกติพ่อที่ไหนไปตักน้ําพ่อแม่ทั้งหมดทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเมื่อฝนตกไม่นะ น้ำอันนั้นเนี่ยที่ปนกับเหงื่อก็หล่นมา ก็เดินสวนทางแล้วประทําเสียงๆพ่อแม่จําเสียงของสวรรณ 3 ได้ก็ทําเสียงตอบ พ่อแม่บิดามารดาก็พูดว่าไม่รู้ตกพ่อและแม่ก็ยืนอยู่บนยอดจอมปลวกใกล้ต้นไม้ต่อจากนั้นก็มองไม่เห็นเลยเท่านั้นพระโพธิสัตว์เอ่อพระโพธิสัตว์คือสุวรรณสามก็รู้ทัน ร้องไห้ร้องไห้ทําไมพ่อแม่ก็ ดังนั้นสุวรรณสามก็กล่าวว่าพ่อแม่ไม่ต้องคิดอะไรหรอกลูกจักบำรุงพ่อและแม่เองแล้วก็นํามารดาบิดา มีที่พักกลางวันที่พักกลางคืนก็ดูแล เมื่อบิดามารดาบ้วนปากๆเพราะอะไรเพราะคิดว่า เมตตาเพราะฉะนั้นก็สอนลูกให้ลูกเจริญเมตตาทั้งทั้งพ่อแม่ลูกทั้ง 3 คนก็มีปกติอยู่ด้วย พระโพธิสัตว์นั้นทั้งไปทั้งมาสู่ป่าเพื่อแสวงหาผลวันอย่างนี้ได้เวทลอมไปด้วยฝูงเนื้อแม้สัตว์ที่เป็นศัตรูมีราชสีห์และเสือคร่งเป็นต้นก็เป็นผู้คุ้นอย่างดียิ่งกับพระก็ด้วยอานุภาพของเมตตาสัตว์เดรัจฉาน เอ่อถ้ามีมีเมตตาอยู่ด้วยเมตตาโดยมากจริงๆแล้วจะเป็นอย่างนี้ จะมีมาจากไหนเพราะฉะนั้นในที่อยู่ของพระโพธิสัตว์จึงมีแต่ ก็ไม่สะดุ้งไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละนะเพราะอะนะด้วยอานุภาพ ก็เห็นคนนอนนอนอยู่กับเด็กเด็กที่อยู่กับงูมั้ยล่ะเอ้าเด็กที่อยู่กับงูเอ้ยอยู่กันได้นี่หรือแม้ก็คนที่เค้าอยู่กับแมลงป่อง อยู่กับเสือเนี่ยนะก็เห็นหลายคนเค้าอยู่กับเสือเป็นเรื่องธรรมดาแสวงหากระบือควาย อยู่ในป่าในป่านะบทว่าเราแผ่เมตตาเพราะความเป็นเหตุเป็นไปแห่งเมตตา เป็นผู้มีแต่ความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเธอนะขอให้สัตว์ ไม่ใช่แต่เราเท่านั้นโดยที่แท้ใน พระเวสสันดรก็เหมือนกันนะท่านไปอยู่เนี่ยกิโลเมตรเนี่ยสัตว์ไม่เบียดเบียนกันเลยเนี่ยนะด้วยอานุภาพของ อยู่กันเป็นพรรณพันหมื่นๆไม่ทะเลาะกันเนี่ย เมตตาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นก็มีความรักความหวัง แม่เราก็ไม่ได้สะรุ้งกลัวต่อสัตว์อะไรคล้ายๆแบบเพราะ มีแต่มีจิตมีเมตตามีความหวังดีมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เลยมีก็มี ขนาดเดียวกันคนที่เจริญเมตตาก็มี ความกลัวไม่เกิดจากสัตว์เดรัจฉานมีราชสีห์เสือโคร่งเราไม่ พระโพธิสัตว์นั้นปกติท่านแผ่เมตตาไปใน วันหนึ่งจะนําผลผลมีรถอร่อยมาจากป่าไหว้มารดาไว้บนหลังเนื้ออ่ะนะทั้งสองมือก็ค่อยๆ ในสมัยนั้นพระราชาพระนามว่ากปิลยักษ์ก็คือพระราชาเมืองพรณสี 5 เสด็จเข้า เห็นรอยเท้ากว้างจึงเสด็จตามไปเห็นสุวรรณสามเดินไปก็คิดว่าตลอดกาลเพียง ขณะที่พระโพธิสัตว์อาบน้ํานุ่งผ้า ผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะศาสตร์หรือทําไมมีเมตตาแล้วจึงถูกยิงท่านบอกว่าช่วงนี้ท่านเผลอไปมัวเพลินเนี่ยนะเพลินสนุกเล่นหยอกเย้ากับพวกเนื้อทั้งหลายก็เลยลืมเจริญเมตตา เสร็จแล้วถึงถูกยิงอย่างนั้นก็ไม่ได้ตระหนกตกใจๆยกลงๆชื่อว่าเวรในที่ไหน เผออะไรก็เผอไม่เจริญเมตตานั่นแหละผู้กําลังแบกน้ําด้วยลูกศร เราจะเข้าไปหาเขาเสร็จแล้วพระองค์ก็ชื่อ พระองค์เนี่ยยิงข้าพเจ้าทําไมพระราชาก็ตรัสเท็จหลอกก่อนว่าคิดๆนั่นแหละมี เสด็จไปที่นั้นไปที่นั้นน่ะนะก็รับอาสา แล้วก็ปลอบโยนดาบทตาปะสินีฤาษีหญิงชายให้ๆแล้วก็คลําที่ คงจะสลบไปเพราะกําลังของพิษก็คิดว่าเราจะทําสัจจกิริยา นะสัจจะที่ที่สุวรรณสามประพฤติมานั้นแลด้วยคําสัตย์ อวัยวะตรงที่ถูกยิง 4 อย่างขึ้นใน 4 อย่างคืออะไร 1 4 อยอยนะ 4 ก็กลับ แล้วก็แสดงธรรมถวายเนี่ยนะก็ยังมีใจเมตตาแสดงธรรมให้ฟังว่าข้าแต่มหาราชขอพระ แม้พระโพธิสัตว์กลับมามารดาพระราชาในครั้งนั้นก็คือพระอนนทนะ การที่ก็ไม่แสดงอาการเจ็บปวดแต่อย่างไรโพธิสัตว์แม้ถูกยิงด้วยลูกศรอาบ เปล่งเสียงด้วยคําที่น่ารักความเศร้าโศกเพียงว่าท่านเสียใจแค่อย่าเรื่องและเมตตาแสดง โอวาทหลังจาก